ตปิดกขุตกะนิกายเทรีอาปทานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งสุเมธาวัตรหมวดว่าด้วยพระเทรีชื่อสุเมธาเป็นต้นหนึ่งสุเมธาเทรียาปทานประวัติในดิตตชาติของพระสุเมธาเทรี ลำดับต่อไปนี้จุงสดับอปทธานของพระเทรีต่อไปพระสุเมธาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนาคัมณะประทับอยู่ที่สังคารามมอมฉันเป็นหญิงสหายกันสามคนได้ถวายวิหารธรรมมอมฉันทั้งหลายเกิดในเทวโลกสิบครั้งร้อยครั้งแสนครั้ง ในมนุษย์โลกไม่จำต้องพูดถึงในเทวโลกมอมฉันเป็นผู้มีฤทธิ์มากในมนุษย์โลกไม่จำต้องพูดถึงได้เป็นนางแก้วเป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพัทชนสามคนคือนางทนัญชานีพรามณีพระนางเขมาเทรีและมอมฉันได้สั่งสมกุศลไว้ในชาตินั้นเปิดในตระกูลที่เพียรพร้อมทุกอย่างได้สร้างอารามอย่างสวยงาม ระดับเ้ือกเครื่องตกแต่งทุกอย่างเสร็จแล้วมอบถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นผู้เพลิดเพลินแล้วเพราะอำนาจแห่งกรรมนั้นมอมฉันเกิดในที่ไหนๆในเทวโลกก็ตามในมนุษยโลกก็ตามก็ถึงความเป็นผู้เลิศในกับนี้เองพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณมมีพระย์ยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสสปะตามพระโค์ ประเสริฐกว่าเจ้าละทิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงเป็นใหญ่กว่านรชนในกรุงพาราณสีที่อุดมทรงเป็นอุปถาของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่เท้าเถอมีพระราชธิดาเจ็ดพระองค์พระราชกัญญาเหล่านั้นดํารงอยู่ในความสุขทรงพอพระทัยในการอุปถาพระพุทธเจ้าและพระพฤทธโภมาจันทร์ หม่อมฉันเป็นพระสหายของพระราช ธ, ธิดาเหล่านั้นเป็นสตรีผู้มั่นคงในศีลได้ถวายทานโดยเคารพพระพฤติวัดอยู่ในเรือนนั่นเองด้วยกรรมที่หม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นไว้หม่อมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงหม่อมฉันจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามา จุติจากสวรรค์ชั้นยามาณ น, น yea ั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีจุติจากสวรรค์ชั้นนิมมานรดีนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นปราณิมมิตวัสวัตตีหม่อมฉันประกอบบุญกรรมไว้เกิดในภพใดๆในภพนั้นๆก็ได้เป็นพระมเหสีของพระราชา มอมชั้นจุติจากสวรรค์ชั้นปรณิมมิตตวัศวตีนั้นแล้วมาเกิดในหมู่มนุษย์ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพัิและได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินสวยสมบัติทั้งในเทวโลกและมนุษยโลกมีความสุขทุกชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่หลายชาตินั้นเป็นเหตุเป็นแดงเกิดและมูลเหตุคือเป็นความสมควรในพระาศาสนานั่นเป็นสโมโอธานข้อที่หนึ่ง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 วิชาสามมอมฉันได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกมอมฉันก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าพระสุเมธาภิกษุณีได้ภาศิกคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ สุเมธาเถริยาประทานที่หนึ่งจบสเมฆละทายกาเถริยาประทานประวัติในดิตฉ่าของพระเมฆลทายกาเถรีพระเมฆลทายกาเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาตาของตนจึงกล่าวว่ามอมฉันได้สร้างพระสถูปเพื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะ ม่อมฉันได้ถวายสังวานเพื่อนวกรรมสถูปของพระศาสดาและเมื่อมหาสถูปสําเร็จแล้วหม่อมฉันเลื่อมใสต่อพระมุนีผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้ถวายสังวานอีกด้วยมือทั้งสองของตนในกลับที่94นับจากกลับนี้ไปหม่อมฉันได้ถวายสังวานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการสร้างพระสถูป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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าม่อมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกม่อมฉันได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าม่อมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าพระเมขละทายิกาภิกษุณีได้พาสุคถานเหล่านี้ด้วยประการฉ น, นิษฐ์ เมฆละทายุกาเถริยาประทานที่สองจบสามมัททะปะทายุกาเถริยาประทานประวัติในดิตชาตของพระมัททะปะทายุกาเถรีพระมัททะปะทายุกาเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่ามอมฉันได้นายช่างสร้างมนตดบถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณนะ และได้อุทิศถวายพระสถูปที่ประเสริฐแก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ของโลกไว้หม่อมฉันไปยังชนบทนิคมหรือราชธานีใดๆย่อมได้รับการบูชาในที่นั้นๆทุกแห่งนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมกิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ ดุจพญาเชา้าตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่หม่อมฉันมาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภินญาหกหม่อมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าพระมัณฑะปทายุกาภิกษุณีได้พาสิทกิาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้มัณฑะปทายุกาเถริยาประธานที่สามจบสสังกัมณะธาเถริยาประธานประวัติในดิจา่าของพระสังกัมณะธาเถรี พระสังกัมณทาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโกนทัญญาผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ทรงช่วยสัตาธิข้ามพ้นเสด็จดำเนินไปตามถนนกุลระบุตรกุลละิดาออกจากเรือนแล้วนอนคว่ำหน้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เจริญที่สุดในโลกผู้ทรงอนุเคราะห์ ได้สเสด็จเหยียบไปบนศีรษะหม่อมฉันพระองค์ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกครั้นสเสด็จเหยียบแล้วได้สเสด็จเลยไปหม่อมฉันได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตก็เพราะจิตที่เลื่อมใสนั้นกิเลสทั้งหลายมอมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงม่อมฉันก็ถอนได้แล้วหมอมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ดังนี้แหลได้ทราบว่าพระสังกัมณทาภิกษุณีได้พาสืบคกถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้สังกัมณทาเทริยาประทานที่สี่จบหนลมาลิกาเทริยาประธานประวัติในดิตชาติของพระนละมาลิกาเทรีพระนละมาลิกาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า ครั้งนั้นหม่อมฉันได้เกิดเป็นนางกินนรีอาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาหม่อมฉันได้เห็นพระสยามภูพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีเพอร์กิเลตไม่ทรงพ่ายแพ้หม่อมฉันเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีเปิดสมนัตประนมมือแล้วเถรพวงมาลัยดอกอ้อมาบูชาพระสยามพูด้วยกรรมที่หม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นม่อมฉันละกายกินรีแล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมอมฉันได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราชสาบหกพระองค์และได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิสิพระองค์มอมฉันสวยกุศลกรรมแล้วก็ออกบวชเป็นบรรพชิตกิเลทั้งหลายม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงม่อมฉันก็ถอนได้แล้วอาสวะทั้งปวงก็สิ้นแล้ว บัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกเนื้อกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปม่อมฉันใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ากิเลสทั้งหลายม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงม่อมฉันก็อถอนได้แล้วม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาจวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าพระน ล, ละมาลิกาภิกษุณีได้พาสึกระถาเหล่านี้ด้วยประการฉนิน ล, ละมาลิกาเทริยาประทานที่ห้าจบหกเอกปินทปาตะทายกาเทริยาประทาน ประวัติในดิตชาตของพระเอกปินทะปาตทาทยาเตรีพระเอกปินทะปาตทายกาเตรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าในกรุงพันทุมดีมีกริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าพันทุมาหม่อมฉันเป็นพระมเหสีของเท้าเธอย่อมสนทนากันเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นครั้งนั้น มอมฉันนั่งอยู่ในที่สงัดคิดอย่างนี้ว่ากุศลที่จะนำติดตัวไปซึ่งเราทำไว้ไม่มีเลยเราคงจะต้องตกนรกที่มีความเร่าร้อนมากทั้งเผ็ดร้อนร้ายกาดแสนจะทารุณโดยแน่นอนเราไม่มีความสงสัยในข้อนี้เลยมอมฉันจึงเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระราชทานสมณะแก่มอมฉันสักองค์หนึ่งเถิดมอมฉันจักนิมนต์ท่านให้ฉันพระมหาราชาได้พระราชทานสมณะผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วแก่มอมฉันมอมฉันรับบาดของท่านมาแล้วนิมนต์ให้ฉันจนอิ่มน้ำด้วยอาหารอย่างดีเยี่ยมมอมฉันได้ปรุงอาหารอย่างดีเยี่ยมและเครื่องรูปไลที่มีกลิ่นหอมปิดด้วยตาข่ายคลุมด้วยผ้าสีเหลือง หม่อมฉันระลึกถึงวัตถุทานของหม่อมฉันนี้เป็นอารมณ์จนตลอดชีวิตทําจิตให้เลื่อมใสในกุศลกรรมนั้นแล้วจึงได้เป็นเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงหม่อมฉันได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราชสาสิทพระองค์สิ่งที่ใจของหม่อมฉันปรารถาก็บังเกิดตามความปรารถนาหม่อมฉันได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพัฒนยี่สิทธพระองค์เป็นหญิงผู้มีกุศลอันสั่งสมไว้แล้ว เวียนไหวตายเกิดอยู่ในพบน้อยพบใหญ่มอมฉันเป็นผู้พ้นจากเครื่องผูกพันทุกอย่างแล้วม่อมฉันปราศจากตัณหาที่จะให้เกิดอีกอา จ, จะวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกเนี่กลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปม่อมฉันได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุ ก, กติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายบิณฑบาต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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทาสาเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอภิญญาหกหม่อมฉันก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าพระเอกรปินทะปาตะทายกาภิกษุนีได้พากิัตาิเหล่านี้ด้วยประกาศนีย เอกปินทปาตถาโยกาเถริยาประธานที่หจบ7กตพระตัชฌพิกขทายกกาเถริยาประธานประวัติในดิตชาติของพระกะตัฉุพิกขะทายกกาเถรีพระกะตัชุพิกขะทายกกาเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่ามอมฉันได้ตักพิสาหานทัพทีหนึ่งถวายพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐที่สุดพระนามว่าติสสะผู้พระศาสดาซึ่งกําลังเสด็จบินธบาตอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะผู้พระศาสดาทรงเป็นผู้นําชั้นเลิศของโลกทรงรับแล้วได้ประทับยืนที่ถนนทรงทําอนุโมทนาแก่ม่อมฉันว่าเธอถาวายภิกษาส า, ารทัพีนหนึ่งนี้นั้นแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง จกเป็นพระมเหสีของท้าวเทวราชส6พระองค์จกเป็นพระมเหสีของพระเจ้าจาักรพรรดิห้าสิบพระองค์และจักได้สิ่งตามที่ใจปรารถนาทุกอย่างในการทั้งปวงเธอสวยสมบัติแล้วจะเป็นผู้ไม่มีความห่วงใหญยบวชจะ ก, กาหนดรู้อาศวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาศวะแล้วนิพพานครั้นตรัสอย่างนี้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าติสสะ ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกเป็นนักปราดได้เสด็จเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนพญาหงไปในอากาศทานม่อมฉันถวายไว้ดีแล้วยันสมบัติม่อมฉันก็ได้บูชาดีแล้วหม่อมฉันได้บรรลุบทที่ไม่หวั่นไหวก็เพราะการถวายพิ่สาหาสทัพีหนึ่งเลขกลับที่เก้าบสองนับจากกลับนี้ไปม่อมฉันได้ถวายทานไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย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 กตัตจุเพ็กขาทายกาเถริยาประทานที่เจจบแสัตตาอุปลมาลิกาเทริยาประทานประวัติในดิตชาติของพระสัตตาอุปลมาลิกาเทรีพระสัตตาอุปลมาลิกาเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในกรุงอรุณวดีมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าอารุณ หม่อมฉันเป็นพระมเหสีของเท้าเธอหม่อมฉันไม่ได้ร้อยพวงมาลัยได้หยิบดอกอุบลมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ทิพมาเจ็ดดอกแล้วนั่งในประสาทที่ประเสริฐคิดอย่างนี้ในขณะนั้นว่าประโยชน์อะไรสำหรับเราด้วยพวงมาลัยเหล่านี้ซึ่งเรานำมาประดับศีรษะของตนเองเราควรนำไปบูชาพระยานของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดจะประเสริฐกว่า เราเมื่อถืบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งแล้วที่ใกล้ประตูจากบูชาพระมหามุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่พระองค์เสด็จมาพระทินเจ้าผู้งดงามดังต้นรกฟ้าขาวเหมือนพญาไกรสอนราชสีพร้อมด้วยที่สุสงส์งเสด็จมาตามถนนหมอมฉันเห็นพระพุทธรังสีแล้วก็ร่าเริงเตืน่นเต้นยังไม่ทันถึงประตูก็ได้บูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด ทำดอกอุบลเจ็ดดอกเหล่านั้นให้แผ่ขยายเป็นหลังคากั้นอยู่ในท้องฟ้าเหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันมีจิตเบิกบานมีใจยินดีเกิดสมนัสประนมมือทำจิตให้เลื่อมใสในบูชานั้นจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนื้อศีรษะของหม่อมฉันเขากั้นเครื่องมุงบางดอกไม้สีเขียวขนาดใหญ่กลิ่นที่พร้อมฟุ้งไปนี้เป็นผลแห่งดอกอุบลเจ็ดดอก บางครั้งเมื่อมอมฉันถูกหมู่ญาตินำออกไปครั้งนั้นเขากั้นเครื่องมุงบางดอกไม้สีเขียวให้บริวารของหม่อมฉันเท่าที่มีอยู่ม่อมฉันได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราชเจ็ดสิบพระองค์เป็นใหญ่ในทุกภพเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพรรด63ิาพระองค์ชนทั้งหลายอนุวัตตามมอมฉันทั้งหมด หม่อมฉันมีวาจาหน่าเชื่อถือผิวพันธ์ของหม่อมฉันเหมือนสีดอกอุบลและกลิ่นกายของหม่อมฉันก็หอมฟุ้งไปคล้ายกลิ่นหอมของดอกอุบลหม่อมฉันไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าหม่อมฉันเป็นผู้ฉลาดในอิทธิบาทยินดีในการเจริญโพชฌงถึงความสําเร็จอภิญญานี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า มอมฉันเป็นผู้ฉลาดในสติปัะฐานมีสมาธิฌานเป็นโคจรขนขวายในสัมมาประญานนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้ามอมฉันมีความเพียร น, นำพาธุระไปอันเป็นเหตุนำธรรมเป็นแดนกระเสมจากโยคะมาให้อาศวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกเลียกลกับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป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 สัตตาอุปละมาลิกาพิสุนีได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนิสัตตาอุปลมาลิกาเทริยาประธานที่แปดจบเปัญจทีปิกาเทริยาประธานประวัติเนดิตะชาของพระปัญจทีปิกาเทรีพระปัญจทีปิกาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติเนดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้น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 ประที่ผ้าดวงโชดช่วงล้อมรอบอาชนะครั้งนั้นประที่ผมหม่อมฉันโชดช่วงอยู่จนอาทิตย์อุทยัยด้วยกรรมที่หม่อมฉันได้ทําไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้เปิดเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานที่บุญกรรมสร้างขึ้นอย่างสวยงามเพื่อหม่อมฉันในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นเรียกว่าปัญจทีปวิมาน สูงรอยโยศ์กว้างหกสิบโยต์ประทีปนับไม่ถ้วนท่องสว่างล้อมรอบมอมฉันอยู่ทั่วทั้งเทววิมานโช่ช่วงด้วยแสงประทีปมอมฉันนั่งหันหน้าไปทางทิศปุรภาถ้าปรารถนาจะดูก็จะเห็นได้ทุกอย่างด้วยจักษุทั้งในเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางมอมฉันปรารถนาจะเห็นกรรมดีและกรรมชั่วที่คนทำแล้วในที่มีประมาณเท่าใด ที่มีประมาณเท่านั้นย่อมไม่มีต้นไม้หรือภูเขามากลางกลั่นได้มอมฉันได้เป็นพระมเหสีของเ ท, เทวราชแปดสิบพระองค์และได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักพรพรรดิร้อยพระองค์หมอมฉันเกิดในกำเนิดใดๆเพื่อจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆประทีปนับแสนดวงส่องแสงล้อมรอบหมอมฉัน หม่อมฉันจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในครันมารดาเมื่อหม่อมฉันอยู่ในคันมารดาในตาของหม่อมฉันไม่ได้หลับประที่นับแสนดวงส่องสว่างอยู่ที่เรือนครอบของหม่อมฉันผู้เพียรพร้อมด้วยบุญกรรมนี้เป็นผลแห่งประที่ห้าดวงเมื่อถึงพบสุดท้ายหม่อมฉันกลับใจให้วิเศษจึงเห็นพระนิพพานอันเป็นสภาวะเยือกเย็นไม่มีชาราและมรณะ พ่อมมอมชันอายุได้เจ็ดขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลพระพุทธเจ้า พ, พระนามว่าโคดมทรงทราบถึงคุณธรรมของหมอมชันแล้วจึงประทานอุปสมบทให้ประที่ผ้าดวงลูกโพลงส่องสว่างให้มมอมชันที่มณดโคนไม้ปราศาสถ้ำหรือที่เรือนว่างที่พยจักสุ ข, ของห่อมชันบริสุทธิ์หมอมฉันฉลาดในสมาธิถึงความสำเร็จอภิญญา นี้เป็นผลแห่งประที่ผ้าดวงมอมฉันเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์ทั้งปวงทากิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะข้าแต่พระมหาวีระผู้มีพระจักสุขมอมฉันชื่อว่าปัญจทีปาข์ลอกรบพระยุคลบาทของพระองค์เนี่ยกรับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปมอมฉันได้ถวายประที่ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งประที่ผ้าดวง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 ปัญจะทีปิกาเทริยาประทานที่เก้าจบสิทุุธกะทายกกาเทริยาประทานประวัติในดิตชาตของพระอุธกะทายกกาเทรีพระอุทกะทายกกาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่ามอมฉันเป็นหญิงหาบน้ำขายอยู่ในกรุงพันธุมดีเลี้ยงชีพอยู่ด้วยการหาบน้ำขาย เลียงดูเด็กๆเรื่อการงานนั้นหม่อมฉันไม่มีทายธรรมหม่อมฉันเข้าไปยังซุ้มน้ําแล้วตั้งน้ําถวายไว้ในหมู่สงผู้เป็นบุญญเขตที่ยอดเยี่ยมด้วยกรรมที่หม่อมฉันได้ทําไว้ดีแล้วนั้นจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นวิมานอันบุญกรรมเนรมิตรสร้างขึ้นอย่างสวยงามเพื่อหม่อมฉันเพราะการหาบน้ําถวายครั้งนั้น มอมฉันเป็นผู้ปร r e s ริ v กวานางอับสรตั้งพันมอมฉันปกครองนางอับสอนเหล่านั้นทั้งหมดด้วยฐานะสิบประการมอมฉันได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราชห้าสิบพระองค์และได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพัทยี่สิบพระองค์มอมฉันเวียนไหยตายเกิดอยู่ในสองพบคือหนึ่งพบเทวดาสองพบมนุษย์จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายน้า บนยอดภูเขายอดไม้ในอากาศหรือที่พื้นดินก็ตามในเวลาที่ต้องการน้ำหม่อมฉันย่อมได้เร็วพลันทิศที่ไม่มีฝนตกเพราะแดดร้อนจัดหม่อมฉันจึงกระหายน้ำมหาเมฆดังจะรู้ความดำริของหม่อมฉันย่อมให้ฝนตกบางครั้งเมื่อหม่อมฉันถูกหมู่ญาตินำออกไปครั้งนั้นมหาเมฆก็บรรดาลให้ฝนตกในเวลาที่หม่อมฉันปรารถนา ในสิริระของหม่อมฉันไม่มีความร้อนหรือความเร่าร้อนเลยและที่กายของหม่อมฉันก็ไม่มีละอองธุลีเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายน้ำสง์วันนี้หม่อมฉันมีใจบริสุทธิ์ปราศจากจิตที่หยาบช้าอาเ จ, จะวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกเรียกกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปหม่อมฉันได้ทำกรรมไวในครั้งนั้น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 ได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประกาศฉี้อุทะกะทายกาเถริยาประธานที่สิบจบสุเมทาวักที่หนึ่งจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวักนี้คือ 1. สุเมธาเถริยาประธานสองเมฆละทายุกาเทริยาประธานสามมันทะปะทายุกาเถริยาประธาน สีสังกัมณทาเทริย า, ร า, ang, า, ป, า ang, ประทาน 5. ้านละมาลิกาเทริยาประทาน 6. เอกปินทปาตะทายุกาเทริยาประทานเจ็ดปตจุพิกะทายุกาเทริยาประทาน8ปสัตตะอุปละมาลิกาเทริยาประทาน 9. ปัญจทีปิกาเทริยาประทานสิบอุทะกาทายุกาเทริยาประทาน ในวัคนี้บัณฑิตนับจำนวนคาถาได้หนึ่งร้อยสามสิบคถา